เรื่องคนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเสียวงเล็บสิบ